หรือว่ารู้แจ้งในขันห้าให้รู้ให้รู้ทางใจให้ใจรู้อริยสัจสีคือทุกอริยสัจสมุทัย อริยสัตว์นิโรธอริยสัตว์นิโรทคาไม่หนีปฏิปทาอริยสัตว์อริยสัตว์สีน่นี้ก็อยู่ในตัวห้องเรานี่ทั้งนั้นทุก็อยู่ที่ตัวของเราคืออยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรา ทุกันนะ่ะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราอะไรเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ ใครเกิดเราเนี่แหละเกิดเราเกิดนั่นแหละเป็นทุกข์แล้วแกก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ก็ให้เห็นทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวของเราอยู่แล้ว ความเกิดก็เราเป็นคนเกิดความแก่เราก็เป็นคนแก่ความเก็บเราก็เป็นคนเก็บความตายเราก็เป็นคนตายให้ดูให้รู้เข้ามาที่ตัวของเราเนี่ยแหละขอให้เกิดเถอะก็รู้ทันทีว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องตายทุกคน จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องไปตามนี้เท่านั้นเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายไม่ว่าวัตถุเช่นต้นไม้ภูเขาก็มีเวลาหมดไปสิ้นไปเหมือนกัน อันนี้ว่าไม่มีใจคลองนะต้นไม้ก็เหมือนกันไม่มีใจคลองไม่มีใจไม่มีกิจไม่มีใจแต่วันหนึ่งก็ต้องมีการแก่การเท่าการตายไปเหมือนกันสิต้นประดู่งี่อายุยืนมากก็ค่อยเท่าค่อยแก่ไปเรื่อยในสุดก็ต้อง ตา ไ, อไปอันนี้ว่าวัตถุภายนอกหรือว่าสิ่งภายนอกมาว่าถึงตัวตนของเราก็เหมือนกันตัวตนของเรานี่ก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันเริ่มแก่ตั้งแต่ในคันมารดาโนน่ะตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิ่นน่ะมันเริ่มมาตั้งแต่นโน่นแหละ มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสองเดือนสามเดือนปรากฏท้องแม่เลยให้เห็นชัดขึ้นว่ามีท้องแล้วตั้งท้องแล้วห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนนี่อยู่ในท้องมารดาสิบเดือนก็ต้องคลอดออกมาเป็นคนพ็เริ่มแก่ต่อไป แต่ก่อนแก่อยู่ภายในท้องวันนี้ก็แก่ภายนอกวะนี่ก็ค่อยนับวันไปเรื่อยแก่ไปทุกวันทุกวันจนถึงอายุยี่สิบสามสิบ8ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีก็ไปเลยตายแล้วบางคนก็ไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้ว ถามีเกิดก็ต้องมีตายให้พี่นาเข้ามาที่ตัวเราอริยสัจสีนมันอยู่ที่ตัวเราทกุก็ตัวเราในแหละทุ ก, ก็ให้กาหนดรู้ว่าทุกเกิดขึ้นแล้วเนาะแกเราความทุกไม่ใช่ว่าเราอยากจะหนีให้มันพ้นหรือาไม่อยากให้มันมี ไม่ได้มันต้องมีของมันทุกเป็นของควรกำหนดรู้ไม่ใช่ให้หนีคือกาหนดรู้ว่าทุกเนี่ยให้กำหนดรู้กำหนดรู้ทุกนี่แหละกำหนดรู้ความแก่ความเก็บความตายนี่แหละความเกิดนี่แหละให้กำหนดรู้ ให้กำหนดให้เห็นว่าตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร จะมีบุญวัินนาบารมีสูงส่งปไปในกระามแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราประเสริฐเลิศล่นขนาดนั้นอ่ะพระองค์ก็ยังเสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อพระชนมายุแปดสิบปีวันวิสาขาบูชา่นี่นะประสูตรตัสรูปรินิพพาน วันนิสาขาบูชาตกันหมดเลยพระองค์มีความสามารถมีความรอบรู้มีปัญญามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีพระองค์ก็ยังเสด็จดับคันปนินนี้ผ่านผู้ไรวอาวยังตาย อย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันห้าสิบหกสิบปีแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยแล้วอ่อนกำลังแหละต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่พน้นไม่ได้พูดให้กลัว พูดให้เห็นความจริงตัวเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ไปอยู่บนอากาศก็ไม่พน้นไปอยู่ทะเลมหาสมุทรก็ไม่พน้นไปอยู่ในถ้มในภูเขาก็ไม่พน้น ไม่พ้นอะไรไม่พ้นจากความตายหนีไปไม่พ้นเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามหนีไม่พ้นนีไม่พ้นจากความตายเราเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเออแข็งแรงขยันเอาใจใส่หน้าที่การงาน ไม่ค่อยเก็บใข้ได้ป่วยเท่าไหร่แต่พออายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วเริ่มแล้วบ้านี้มีโรครันแซกโรคนี้ซอดเข้ามาปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดนั่นปวดนีเ่เดี๋ยวเป็นโรคตับโรคไตโรคอะไรสารพัดโรคแล้เริ่มมีขึ้นมาและเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ เอาแล้วขาวนี้ไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งโลกร้อยแปดพันเก้าอะไรต่างก็ตามเริ่มมีขึ้นมาแก่เราท่านยึงให้ก้าวหนดรู้ว่าสิ่งนี้จะมีแกเ่เราจะเกิดจะเป็นแกเ่เรา แต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นยังไม่มีถ้าแกเท่าไปอายุหกสิบเจ็ดสิบเราก็เริ่มแหละเริ่มมีเริ่มมีโรคอันนั้นโรคอันนี้ท่านแหละท่านให้กาหนดรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นน่ะมันนี้ไม่พ้นจริงๆหนีความตายไม่พ้นเลย จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามบนฟ้าบนเขาบนอากาศอยู่ในทะเลมหาสมุทรก็ต่ำก็อนนี้ไม่พน้นท่านจึงให้กำหนดรู้ให้มันชัดลงไปในตัวของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายคายความกินดีว่าการมาเกิดในโลกมนุษย์นี้มันเป็นทุกข์ทุกเรั่นทุกนี้สารพัดนั่นแหละมันเป็นทุกข์ พยายามปฏิบัติเพื่อให้มันหนีจากกองทุกนี้ให้ได้อะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ล่ะความอยากกันแหละหรือพูดภาษาบาลีก็คือตัณหานันเดี๋ตัณหาปแปลว่าความอยากความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น อ, อันนี้แหละสาคัญความอยากนี่นแหละ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ก็ไม่มีคือทุกข์ในใจไม่มีถ้าไม่มีความอยากถ้ามีความอยากมันก็ต้องมีทุกข์พระพุทธเจ้าหมดความอยากแล้วพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายก็หมดความอยากแล้วหมดความอยาก อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมี น, นั่นอยากมี น, นี่มันหมดไปหมดไปถ้าเราพิจนาให้ถัดพิจนาให้รูคครรครงงร้ความอยากก็ค่อยหมดไปหมดไปพอเราทำความรู้แจ้งให้เห็นจริงขึ้นมาความอยากนั้นก็ค่อยลดลงลดลง อย่างเราปฏิบัติธรรมนี่ใจของเราก็สามารถที่จะรู้อยากให้มันเป็นสมาธิอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันก่กอทุกข์ขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นเหตุให้ก่อทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นยังไม่ได้เป็นนายพลก็อยากเป็นนายพล ยังไม่อยากเป็นแฟนเขายังไม่อยากรักเขานี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะสิ่งภายนอกอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เป็นก่อเกิดให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นความอยากนี่แหละไม่ว่าอยากอะไรเรื่องอะไรแหละไล่ไปไม่หมดหรอกทั้งวันนี่ขอให้มีอยากมีกทุกข์้ันั้น ให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นให้สังเกต ด, ดูเรานั่งนี่เราไม่อยากให้มันเก็บแข้งเก็บขามันก็เก็บแข้งเก็บขาเราก็ไม่อยากมันก็เลยทุกข์เลยแบบนี้ท่าน ก, ก็ให้พิารณาให้เห็นความจริงอันนี้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยาก เกิดจากตัณหานั่นแหละเมื่อเราชำระตัณหาหมดไปจากใจเราแล้ ว, ลวมันก็ดับทุกได้คือนิโรธ ด, ดับทุกขที่มีในใจได้ทุกอะไรอะไรก็ตามมันดับลงหมด คือไม่มีทุกขังใจวิธีปฏิบัติที่จะให้ดับทุกข์ได้นั้นก็คืออริยมรรคบิยงแปดอริยมรรคบิยงแปดเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างยกหนึ่งสมัยหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่มี พาระาอารหันต์หมดไปแล้วไม่มีในโลกนี้ไม่มีหรอกพาระาอารหันต์คนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่รู้ว่าการที่จะได้เป็นพาลีบุคคลชั้นสูงนี่มันยังมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อริยมรรคปยงแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคปยงแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพ้าอาราหาันเลยนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้ว่าเท่า น, นั้นปีเท่า น, นี้ปีก็หมดอาราหารันมันไม่ใช่มันไม่มันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรคปิยงแปดหรือไม่ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคปิยงแปด อย่างไรมันก็ต้องพ้นทุกได้อย่างต่ำสุดก็ต้องได้เป็นสวดารันละ่ะถ้าเราปฏิบัติตามอริยมโหงแปดสูงขึ้นไปก็สกิทาคาสูงขึ้นไปก็นาคาสูงขึ้นไปก็อรหันต์สูงสุดหละนั่นแหละธีใจเข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยะมากโหงแปดให้ได้ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยมันก็มีตรงข้ามนะมิถัตติฏฐิควมเนผิดเนี่ยแต่เรามาอาธิบายเรื่องความเนผิดแต่เราจะาอาธิบายเรื่องความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเนี่ยก็เห็นทุกข์เนี่ยเข้ามาอย่างนี้เห็นชอบก็คือเห็นถูกทุกข์คืออะไร ทุกคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยความโศกเศร้าเสียใจพี่หลายลำพันธุ์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนา น, นเป็นทุกข์แล้วท่านไหนพิจารณาเห็นแล้กวกาใช้ปัญญาพิจะะ า, ารณาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาคือความเห็นชอบ ไม่มีอย่างอื่นนะมันเห็นตัวตนของเราเนี่แหละเห็นความจริงในตัวตนของเราเนี่ยแหละสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกประความดำริชอบคือคิดแต่ทางที่ดีทางไม่ดีไม่คิดคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนเนี่ย ให้ความคิดเราอยู่อย่างนี้มันจะคิดเข้าไปหากรรมไม่ได้ที่ด อ, อกจากรกามจึงถูกที่ด อ, อกจากรกามคิดไม่สยาบาทคือผูกใจเจ็บกับคนอื่นหรือไม่พอใจกับคนอื่นพยาบาทคือความปองลายอืม คิดลายต่อคนอืน่นสัรวอคิดไม่เวียดเวียนอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาทำไมพระพุทธเจ้าจเอาปัญญาขึ้นก่อนถ้าไม่เอาปัญญาขึ้นมานี่ไม่เอาปัญญามารู้นี่ถ้าไม่มีปัญญานี่ รักษาศีลก็ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิก็ไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาต้องเอาปัญญาขึ้นก่อนต้องให้รู้ให้เห็นขึ้นก่อนให้เห็นชอบหเห็นจริงขึ้นก่อนเนี่ยสัมมาวาจากิรจาชอบพูดง่ายพูดชอบนั่นเอง พูดไม่พูดในทางที่ผิดไม่พูดโกหกหลอกลวงไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเล้วไหลไม่พูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั่นพูดแต่ในสิ่งที่เป็นศิลปเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความดีความงามพูดแต่ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เราหรือแก่คนอื่นสัมมากัมมัตตการงานชอบ ในการงานพูดง่ายๆว่าทำให้มันถูกนนสัมมากรรมตะการงานชอบไม่รักของเขาทำในสิ่งที่ดีงามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ ไม่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดไม่พดไม่โกงไม่ชอราดบางหลวงไม่ทำอะไรที่มันผิดผิดทั้งหลายเราไม่ให้มันมีขึ้นอย่างนั้นเราต้องดีเว้นคือไม่คดโกงชอราดบางหลวงทำมาหากินด้วยความสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต ให้มันบริสุทธิ์สามอันนี้เป็นศีลพอมีศีลก็เป็นฐานหนุนให้เกิดสมาธิี้สัมมาวายามะความเพียรชอบเรามีความภาคความเพียรเราจึงจะทำสมาธิได้ถ้าไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนจะภาวนาได้ไหมไม่ได้ พอนั่งปับก็เหนื่อยแล้วสิบห้านาทียี่สิบาทีก็เมื่อยแล้วแต่เรามีความพยายามนี่มีความพยายามชอบนี่ตั้งใจเราจะทําสิ่งไหนก็ตามว่าการฝึกสมาธิอย่างเดียวหรอกทุกอย่างนั่นแหละเราต้องมีความภาคความเพียรความอดความทนมันถึงจะไปได้มันถึงจะประสบความสําเร็จได้ ความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียรในการที่จะชำระ ก, กิเลสแหละเพียรละความชั่วเพียรดำความดีเพียรทำกิจให้ผ่องใสนั่นส ม, มาสติตั้งสติชอบสติก็คือความรู้สึกระลึกได้ระลึกในสิ่งที่ชอบ เรียกว่าสติปทานสี่และลึกรู้ในกายของเราว่ากายของเราในประกอบด้วยธาตุขันธ์อันใดมีเนื้อหนังมังสากระดูกตัวตนอันนี้เป็นรูปขันธ์ก็ดีนามขันธ์ก็ดีรูปขันธ์ก็คือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นอย่างนี้ให้มีสติ สติความรู้สึกระลึกได้ระลึกในธาตุในขันธ์ของตัวเรานี่เองหรือระลึกในกายลึกในเวทนาและระลึกในจิตและระลึกในธรรมนให้อยู่อย่างนี้ให้จิตเราระลึกรู้อยู่อย่างนี้ระลึกรู้อยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี้ หรือแลร้รู้ในขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขันวิญญาณขันอย่างนี้ก็ได้สติของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องสเพเรลต่างๆให้ระ ล, ลึกรู้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ตลอดเช่นอย่างพวกเรากระ ล, ลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดลมเข้าเราก็รู้ลมเข้าลมออกเราก็รู้ลมออกนี่ เ่าตั้งสติแล้วเนี่ยไม่ไปรู้เรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องนั้นเรื่องนี่เรื่องโน้นไม่เอาคิดก็คิดเป็นระเบียบสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงคิดสิ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่คิดหรือไม่ระลึกรู้เลยให้ระลึกรู้อยู่ตลอดว่าเรากำลังกาหนดลมหายใจเข้าออกนี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เราเห็นอยู่เรารูอยู่ ว่าลมเข้าเราก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกลมยาวก็รู้ว่าลมยาวลมสั้นก็รู้ว่าลมสั้นทั้งออกและเข้าเรารู้อยู่ลมมันกว้างขวางใหญ่โตเราก็รู้ไปหมดลมมันเล็กลงแทบจะไม่มีเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้เลยว่าความระลึกรู้ที่ถูกต้อง มันอยู่ที่ไหนละอาการเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี้ เ, เระลึกรู้ในตัวของเรานี้แหละนี่ระลึกในทางที่ดีเป็นอย่างนี้สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบก็คือฝึกสมาธินี่แหละให้เกิดอย่างกําหนดรู้ลบนี่มันก็เกิดแหละ เกิดสมาธิแล้วเราพยายามให้มันรู้ขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกมันก็เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอัปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่ถ้าอาลกิจเราเป็นสมาธิอัปนาเนี่ยอปนาสมาธิเนี่ย ออกจากสมาธิแล้วนี่สติปัญญาความฉลาดสามารถต่างๆความรู้ความามีอะไรต่างแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวเราขึ้นมาเลยในเรื่องในเรื่องนั้นก็ตามถ้าเข้าถึงนั้นแล้วพิจารณากายนี่เห็นชัดเลยเห็นรูปขันนันนี่ว่าเป็นทุกข์อย่างไรเห็นชัดเลยเวทนาขันก็เห็นชัดสัญญาขันก็เห็นชัด สังขารขันก็เห็นชัดวิญญาณขันก็เห็นชัดถ้าเราจิตบรรลุขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิจะเกิดปัญญาหลอบลูขึ้นมามากมายอันนี้ต้องหัดให้เป็นไปถึงไม่ถึงเราก็หัดไปเรื่อยบนถึงของมันเองแต่งเอาไม่ได้ขณะนี้การอุปจัละยังแต่งได้กำหนดลมกำหนด อารมณ์ต่างๆหรือพิจารณาร่างกาย็ น, นโคงกระดูกโคงอะไรเราก็พอทำได้แต่พอกิจเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันทาหน้าที่ของมันอย่างเดียวแต่ว่าออกจากสมาธิมาแล้วปัญญารอบรู้เกิดขึ้นหมักหมายเลยแกมแจ้งชัดเจนหมดเลยเป็นย่งั้นแกมแจ้งชัดเจนหมด แต่ถ้าเป็นฌานเขาระวังนะมันนี้ถ้าเป็นผสชมฌชานมันก็ไม่เกิดปัญญาแต่เกิดความสงบเหมือนกันสงบอยู่แต่ปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าภาวาสมาธิปัญญาเกิดสามารถอภิจณากายนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงปล่อยวางได้เลยหลุดพ้นได้เลยถ้าเป็นฌานก็ปัญญาไม่เกิดแต่ความสงบเกิดอยู่ มันก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงจตุชานชานสี่พัฒนาขึ้นไปถึงอรูปชาญน่ะนอกจากชานสี่แล้วก็ถึงอรูปชาญอาการสานันจานะวิญญาณัจานะอกิญานันจานะเนี่ยว่าสัญญาณาสัญญาเจตนาแต่พระพุทธเจ้าของเราทำความสงบใจเลยขั้นพวกนี้ไปหมดเลย ฌานสีห้องค์ก็ได้จนสมบูรณ์ก่อนจะตัดสรุปว่าเข้าจิตจะถึงฌานสีนี่แหละพอกิดถึงฌานสีก็พิจารณาแต่ฌานแปดก็เป็นอรูปฌานขึ้นไปฌานที่เก้านิโรดสมาบัติ มีพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกและพระอนาคามีท่านที่ทำได้เข้าสมาธิได้ถึงขั้นนิโรธสมาบัติอย่างพวกเราเข้าไม่ถึงนั่นขอให้ใจสงบก็ใช้ได้แล้วใจเราสงบไม่ฟุ้งซ่านใจสบายรู้อยู่เห็นอยู่ในลมหายใจเข้าออก จนเห็นลมดับไปเหลือแต่รู้เราก็ยึดหรือว่ากำหนดรู้เรื่องนี้ไว้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนี้อืนี่แหละให้เข้าใจอย่างนี้ยังไงยังไงก็ตามเถอะขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะ ถ้าเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคแปดเราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องว่ารออ้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปค่อยมาโปรดหรอกเอาชาตินี้แหละเราดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในมรรคแปด มักแปดมีอะไรบ้างอธิบายละเอียดตลอดเลยถ้าเราทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยทำทุกวันหรือทุกโอกาสที่เราพอจะกำหนดรู้ได้เรากําำหนดรู้อันนี้มันจะมีพลังขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดพลังขึ้นไปเรื่อยๆพลังคือพลังกิจนี่แหละมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราทา ใจเราจะสบายขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นทำอะไรอยู่ใจเราก็สบายนี่เราเห็นชัดลงไปเลยในใจของเราเนี่ยว่าใจเราสบายความเป็นจริงคนเรามันก็สบายบ้างไม่สบายบ้างแต่พอเข้าสมาธิเป็นนี่มันสบายเลยเห็นใจสบายขึ้นมาเลย จึงจำเป็นที่สุดที่จะต้องปฏิบัติตามมรรคแปดเพราะเป็นทางให้ถึงความดับทุก์ได้มรรคแปดให้ปฏิบตัติให้กายวาจาใจของเราดำเนินไปตามอาริยมรรคมีองแปด น, นี้นี่เท่านั้นแหละ เราก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เป็นพระรีมงคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้ไม่ต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้อยใหญ่เหล่านี้เลยสเสวยสุขในที่ผสมบัติสเสวยสุขในพระนิพพานนั่ น, นเราต้องทำเราต้องปฏิบัติ ให้มันรู้แจ้งขึ้นมาในใจของเราเราวางได้หรือไม่ได้มันเห็นอยู่ที่ใจของเราเลยเราวางความทุกข์ได้หรือไม่ได้เราเห็นอยู่ที่ใจของเรารู้ชัดอยู่ในใจของเราใจของเรานี่ถ้ามันละเอียดเข้าไปแล้วมันไม่อยากยุ่งอะไรเลย หน้าที่การงานก็ทำได้ยุแต่ว่าไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่สับสนจิตใจใเราจะเป็นหนึ่งใจใเราจะสบายมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากไม่นึกเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดมันอยู่กับความสงบตลอดใจใเรานี่สบายตลอดเย็นเข้าไปในใจ นั่งอยู่ก็สบายสบายยืนอยู่ก็สบายทำงานอยู่ก็สบายทำไมมันถึงสบายเพราะกิจมันเป็นสมาธิการรู้สิ่งไหนมันก็รู้ละเอียดรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงรู้ประเสริฐขึ้นมาเลยรู้ในใจเนี่ยจะเอามารู้ธาตุรู้ขันอันนี้ก็ได้รู้ธาตุรู้ขันที่เรา มีอยู่นี่มารู้รูปขันอันนี้แหละตัวต้นนี้แหละประกอบส่วนด้วยอะไรประกอบส่วนด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกถ้าไล่ละเลอียดก็เรียกว่าอาการสามสบสอง เกษาโลมานะขาทันตาตะโจนี่แหลไล่ไปเรื่อยเลยน้ำดีน้ำเสดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำหมูดนอยู่ที่ตัวเรานี้สิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมัไม่เที่ยงรูปขันอันนี้ไม่เที่ยงต่อไปมันก็เป็นไปของมัน มันไม่เที่ยงเราต้องรู้ทันว่าขันทัดอันนี้ตัวตนอันนี้มันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันต้องแตกดับไปนี่น่ะมันไม่เที่ยงละมันไม่เที่ยงเป็นทุกขหรือเป็นสุกหร่ะมันก็เป็นทุกถ้ามันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุก ถ้าเป็นทุกข์แล้วมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนแท้จริงที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ไม่ว่าส่วนไหนในร่างกายนี้ในตัวตว น, นนี้เราจะถือเอาผมนี่แหละเป็นของเราก็ไม่ได้ผมก็เป็นเรื่องของผม ขนเป็นเรื่องของเรามันก็ไม่เป็นมันเป็นไปตามสภาพของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนนหนังมันก็ไม่ใช่ของเราอันที่จริงสมมุโลกมันก็เป็นของเราทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างโลกเข้าใจกันอยู่ว่าของเราของเรา แต่บัญญัติธรรมพระโองร์สอนให้เห็นละเอียดลงไปว่าเนื้อหนังมังสาของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอืมันไม่ไปตามอํานาจของใจที่เราต้องการเราไม่อยากแก่มันก็แก่เราไม่อยากเก็บมันก็เก็บเราไม่อยากตายมันก็ตายนี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากตายเลยแต่ก็ป่วยจนตาย หรือมีทางตายอยู่จนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ความจริงให้เห็นโทษที่มีอยู่ในกายนี้หรือความเบนไปที่มันจะต้องสลายแตกดับไปมันอยู่ที่กายนี่แหละกายน่และ้ะแตกดับ เมื่อกายแตกดับกิตวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ากายแตกแล้ววิญญาณก็ออกวิญญาณออกจากร่างแล้วกายนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่เน่าต่ผูพังไปวิญญาณก็ไปถือพบหมหชาตใหม่มีความสุขความทุกข์ตามบุญและบาปที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญไว้แล้วก็มีความสุขเราทำบาปไว้แล้วก็มีความทุกข์นี่มันก็เท่านั้นเอง ให้เห็นชัดลงไปในรูปขันอันนี้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนจะประเสริฐเลื่นขนาดไหนก็ต้องเป็นต้องมีความแก่ความเก็บความตายหมดทุกคนนี่หายพิจารณาลงมาอย่างนี้ให้เข้าใจตามนี้เราก็จะเห็นชัดลงไปเลยว่าโอ้ มันไม่ใช่ธรรมดาตัวตัวนีนน้ท่านถึงไม่ให้หลงไม่ให้หลงในวัยและชีวิตวัยคือปฐมวัยมัธิมวัยปัจจิมวัยวัยต้นวัยกลางวัยสุดท้ายท่านไม่ให้หลงว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ เรายังไม่เท่าไม่แก่อย่าได้ไปหลงวันหนึ่งมันต้องเป็นมันต้องแก่ต้องเท่าต้องตายไปเด้วยวอย่าไปหลงในวัยว่าเราจะอย่างนี้อยู่อย่างนี้ตลอดไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่หลงในชีวิตคือไม่หลงว่าเราจะไม่ตายหรอกเรามีชีวิตยอยู่นี่ เรากินอาหารถูกหลักอ น, นามัยเราออกกำลังกายเราทำนั่นทำนี่เพื่อที่ให้ร่างกายเข้มแข็งอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่พ้นความตายออกกำลังกายแข็งแรงก็ไม่ตายอย่างนึงก็ตายอย่างนึงโรคที่หมอวินิจฉัยไปแล้วนี่ มันมากมายไก่กรอกแต่ก่อนในโลกท้องอืดพอใครกินอาหารแล้วอาหารไม่ย่อยตายไม่มียารักษาสมัยก่อนนะไม่มียารักษาเลยถ้าเป็นท้องอืดแล้วก็ไม่มียารักษาตายแต่ปัจจุบันไม่เป็นอย่างนั้น ท้องอื่นนี่มียากินกับเข้าไปหายเลยเม็ดเดียวสองเม็ดแต่ละหายเลยนั่นแต่ก่อนนี่โอ้ถือเป็นเรื่องใครเป็นโรคท้องอื่นแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วก็ตายตายมดไม่มียาใส่ต่อมาโรคอหฮีวาโรคอะฮีวานี่ก็ถ้าเป็นเข้าไปแล้วก็ มีหวังมือกันไม่มียารักษาเหมือนกันแต่ก่อนเออไม่รู้จะเอาอะไรแต่ปัจจุบันนี่พอเป็นโรคท้องเสียท้องร่วงโรคอหิวาเขาฉีดยาให้เขาเข้าน้ำเกลือให้เท่านั้นก็หายแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็เป็นมะเร็งบานนี้โอ้ถ้าเป็นมะเร็งแล้วมีทางเดียวทางคือตาย เป็นมะเร็งมันช่วยให้ตายเร็วไวมากเขาก็มียาอยู่แต่ว่ายาก็ยังไม่ถูกยังไม่สามารถที่จะรักษาเด็ดขาดได้บรรเทาหรือว่าพอให้ผ่อนผันได้อยู่ไม่มียาจริงๆที่จะรักษาว่าให้หายเด็ดขาดถ้าเป็นมะเร็งเข้าไปแล้วก็มีหวังเลยไม่วันใดก็วันหนึ่งตกไป ไปโดยเร็วด้วยแต่ถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าหรือพันปีข้างหน้าเขาอาจจะมียาชนิดแก้โรคมะเร็งนี่ให้หายเด็ดขาดไปในทันทีทันใดได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียาชนิดนั้นแต่อีก100ร้อ ย, อยปีข้างหน้าหรือว่าหลายหลายร้อยปีข้างหน้าพวกนักวิทยาศาสตร์อาจจะค้นคว้าได้ยาพิเศษสามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่ก็จะมีโรคอย่างอื่นขึ้นมาอีกซึ่งหาหมอหายารักษาไม่ได้มันก็ต้องมีขึ้นมาอีกนี่เป็นอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าหนีไม่พ้นจากความตายไปได้สักคนเดียวถึงมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามไม่ตายในโรคนี้ก็ตายในโรคนี้หรือเป็นอย่างอื่นไป เราทำไมถึงมาศึกษาให้เข้าใจใเรื่องเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้สรดสังเวชว่าเรานี่ไม่สามารถที่จะค้ำฟ้าอยู่ได้หรืออยู่ค้ำฟ้าได้จะต้องไปเหมือนกันเราจะเอาอะไรในโลกนี้เราจะยึดถืออะไรเราจะสำคัญมั่นหมายในอะไรเพะมันไม่มีอะไรที่จะให้ยึดให้ถือได้แล้ว เราก็ปล่อยวางทำใจของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเป็นพระเยบโบคนเสียเป็นโซราบาลเป็นสกิทาคาเป็นนาคาเป็นพระลานก็พ้นทุกไปได้จะเป็นอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติจะอยู่ดีๆให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดต้องปฏิบัติทำ ต้องดำเนินชีวิตตามอริยมรรคปิองแปดหรืออริยสัจสี่ให้ชัดเจนลงไปอริยสัจสี่พูดถึงรายละเอียดของธาตุขันธ์อันนี้ไว้อย่างถี่ถ้วนแต่เราก็ไม่ต้องไปศึกษาจนได้รู้หมดทุกข้อทุกมุมหรอกขอแต่ให้เรามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเท่าเนี้เราก็สามารถที่จะสร้างพลังกิตที่แคบแข็งขึ้นมาเพื่อรู้ อริยสัตว์ในตัวนี้หรือว่ารู้ความเป็นไปของกายอันนี้โดยการที่เราฝึกหัดปฏิบัติไปตามมักแปดนี่เอามักแปดเป็นเครื่องดำเนินนี่เราก็สามารถที่จะหนีจากกองทุกได้หนีจากการเรียนไหวตายเกิดได้หนีจากการที่เกิดได้พบน้อยพบใหญ่ได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แน่นอน เราต้องทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นอย่าได้ท้อถอยถึงมันจะเหนื่อยยากว้างก็ไม่เป็นไรถึงมันจะเหนื่อยมากเหนื่อยปวดแข้งปวดขาเป็นนั้นเป็นนี่เออทนทุกข์ทรมานอันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อท ร, รมานตัวเองเราทำเพื่อฝึ ก, กจิตของเราให้สงบ เช่นอยู่กุฏิเราไม่คุยกันเราก็ตั้งใจกำหนดลมหายใจเขา้าเพราะเรามีเวลาน้อยพูดง่ายว่าเรามีเวลาน้อยให้อยู่กับลมหายใจให้ได้ให้อยู่กับการปล่อยวางธาตุขันตัวตวนอันนี้ให้ได้ให้ปล่อยวางให้ละให้เลิกให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ ไม่ใช่ว่าทำความเงียบสงบเฉพาะในศาลาออกไปแล้วปล่อยให้คิดนว น, นี่ฟุ้งซ่านไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ถึงเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองต้องมีสัจจะในตัวต้องพยายามทำเราต้องได้ใครเป็นผู้ได้กับเรานี่แหละเป็นผู้ได้ผู้ปฏิบัติตามมาร์กแปดนี่เนี่ย ให้สังเกตดูให้สังเกตดูใจของเราว่ามันไม่ฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆเลยมันอยู่กับความที่เรียกว่าสติไปควบคุมอยู่ตลอดมีสติในการก้าวไปมีสติในการถอยกลับนั่นละเอยียดลงไปปานนั้นยืนอยู่ก็มีสติ เห็นลมหายใจเข้าออกนั่งอยู่ก็มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกนอนอยู่ก็มีสติเห็นลมหายใจเข้าออกเดินอยู่ก็เห็นลมมีสติเห็นลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเราพิจารณากายก็เห็นชัดตามความเป็นจริงถ้าจิตเรามีพลังแล้วกายนี่เป็นของสุกโปกเราก็สามารถเห็นได้ กายนี่เป็นของไม่เที่ยงเราก็สามารถเห็นได้ว่ากายเรานี้ไม่เที่ยงเราต้องเอาป่านั้นมีจริงนะฝึกเลยไม่ใช่ว่ามีแต่มานั่งสมาธิอย่างเดียวเท่า น, นั้นพอไม่ใช่เราฝึกตลอดเราตั้งสติได้เวละไหนเราต้องกําหนดทันทีแต่ถ้ามันเป็นไปแล้วมันได้แล้วมันผ่านแล้ว เราจะเห็นได้เองปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วนี่มันเห็นได้เองพอไม่มีธุระอะไรต่างๆมันจะเข้าสมาธิวับทันทีเลยจิตเรานี่จะรวมลงไปปับ๊บจะเห็นลมหายใจเข้าออกทันทีมันไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเราจะสังเกตเห็นลมอย่างผู้ที่เคยมาปฏิบัติแล้วจะสังเกตได้เรื่องนี้ ยืนอยู่เฉยๆก็เห็นลมหายใจเข้าออใจเราก็เย็นสบายลงไปเลยนั่นแต่แล้วมันจะไปนรกหรือไปสวรรค์ล่ะถ้าใจมันสบายอย่างนี้ใจมันมีความตั้งเที่ยงตั้งมั่นต่อคุณศิลปคุณธรรมอย่างนี้มันก็ต้องไปสู่สุคติตายแล้วนะไม่ไปหรอกทุกขกตนะิถ้ากินเราเป็นสมาธิแล้วเราไม่ไปไม่ไปสบายยภูม ไม่ไปสู่พ่ภูมิมันต่ํามีสัตว์ดิลสานเปลี่ยนสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นไม่ได้ไปเราไม่ไปทําไมไม่ไปเพราะว่ากิจเรามีสมาธิมีมรรคมีผลแล้วนั้นไม่ไปมันมีแต่ไปสวรรค์ไปภูมิโลกไปนิพพานเท่านั้นความต้องการสูงสุดหรือความ มุ่งหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานถ้าเราเป็นโสดาบันก็เรียกว่าตกกระแสพระนิพพานเหมือนน้ำเจ้าพรายนี่ไหลออกสู่ทะเลเนี่ถ้าตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีหว่างออกไปทะเลมหาสมุทรหรือน้ำโขงนี่พอตกลงไปในน้ำโขงก็กระแสน้ำก็พัดลงไปจนถึงทะเลมหาสมุทรเหมือนกัน ท่านจึงให้ตั้งใจปฏิบัติถ้ามีโอกาสอย่างนี้ถือว่าโชคดีเราได้ละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพื่อปฏิบัติหวังความพ้นทุกข์ความเป็นพระอริยะบุคคลไม่ใช่มีแต่คือสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้น แม้ในปัจจุบันนี้เราก็สามารถบรรลุมรควุได้ถ้าเราปฏิบัติตามเปิดหรือหลักอริยสัจสเดี๋ยวนี้เราก็ปฏิบัติอยู่กระทาอยู่ความมีมากมีผลต้องเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติ ขอให้มั่นใจถ้าเรารู้แจ้งในอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักมทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนี่เราว่าอริยสัจสี่ นี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติเราสามารถที่จะทำจิตของเราให้หลุดพ้นไปได้ถือว่าเราโชคดีที่สุดที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่คิดว่ายังไม่มีมรรคผลหมดไปแล้วไม่ใช่ ถ้าปติบัตตามคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่สติปัฏฐานสียังมีอยู่สติปัฏฐานสีก็เห็นไหมสติสมาสติตั้งสติชอบนั่นแหละตั้งสติชอบกายเวทนาจิตรรมกายก็คือตัวเรานี่เวทนาก็คือความรู้สึก สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็คือใจของเราทำก็คือคำสอนของพรุทธเจ้าในเรื่องกิเลสในเรื่องปล่อยวางอะไรต่างๆเราทำตามคำสอนพรุทธเจ้านี่เราต้องหลุดพ้นได้แน่นอนเหต่ว่าเรามีเวลามาก เราจะคิดา่าโอ้ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้หรอกไม่ใช่เราต้องทุ่มเททุ่มเทตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าได้คิดว่าเวลาเท่านี้แหละมันเหลือเฟือ่อมันนั้นนี่ไม่ใช่นะเวลานี้น้อยนิดเดียวนะเรามาปฏิบัติให้เราเองทำควมดีให้เราเองใช้เวลาน้อยนิดเดียวทั้งทงที่เรามีอายุตั้ง สี่ส้าสิบแล้วเนี่เราจะไม่ได้ทำเลยถ้าเราตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงจังขึ้นไปนี่โอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเวลาเล่น้อยนี่แหละสามารถที่เราจะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้ขอให้เราจับหลักการปฏิบัติให้มันได้เราไปได้แน่นอนใจใเราสบายแน่นอน ขอให้ตั้งใจปฏิบัตินำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าอาริยสัจสีให้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาในตัวตนของเราหรือมรรคมีองค์แปดให้มีอยู่ในการในใจเรา เราก็สามารถที่จะหนีจากกองทุก์ได้เราหนีจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ได้เราถึงความสุขความเจริญเราถึงความพ้นทุก์ได้อย่างแน่นอนถ้าเราตั้งใจปฏิบัติที่เหลืออีกอยู่เราก็ค่อยๆบัง ค, คับปราคองชีวิตของเราให้ดำเนินตามให้มีธรรมะของพระเจ้าอยู่ในใจ เท่านี้แหละเราก็มีโชคดีแล้วเราเกิดมานี่ยแสดงให้ฟังเท่านี้แหละ